ต้องทำต่ออีกทีหนึ่เงเพื่อส ม, มทูทิยะกถาให้ได้สดชื่นเบิกบานในผลบุญกุศลที่เราหมอรักลาศินสมาทานศีลบิสุทธในวันวรำสิบห้าค่ำหลวงตาเพิ่งมารู้เพิ่งเช่านี่ยไม่รู้ไม่ได้โกนผมเลยที <laughs> ่กลางกระทำวัดตีสี่ครึง่ง เดินมาทำวัดไะเช้านี่ตีห้าชาวบ้านจะม า, าวันพระหมู่ทนากับยอดจมชาวบ้านเราบ้านอ น, น้อยเก๋ไก่ยังมีอุส่าห์มาตั้งแต่เช้ามืดตีสี่ตีห้าของจุดเตียมตัวเตียมใจกันเต็มที่เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อ ให้เกิดนี่อ น, นิส้สงในเทศกาลเข้าพรรษานี่เป็นเทศกาลเพิ่มบุญให้ตัวเองเ พ, เพิ่มกุศลเพิ่มกุณงามความดีให้กับตัวเราเป็นการละความชั่วออกไ่อนี่เท่าไหร่ยพยายามละให้ได้สามเดือนท่วนใจมากให้มันงอกงามขึ้นมา งั้นจะดูทำนาทำไรก็ต้องปลูกฝังลงไปใส่ปุ๋ยลงไปด่า ย, ยาลงไปไห้ต้นข้าวต้นมันต้นอ้อยต้นหลปลูกให้มันงามขึ้นมาก็สนผลบุญผ ม, มดีความงามจะงามขึ้นด้การที่ใจของเรานี่อะไรที่ไม่ถูกไปต้องหลอออกไปปล่อยออกไปใช่มันหลงไม่งามบุญมันจะไม่งาม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 เวลามันหูได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจตาเห็นลูกพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาก็ลูกจกตัวขึ้นมาห้อยวางออกไปนี่เรียว่าละบาปสร้างบุญไม่ใช่เป็นพิธีเฉยๆให้ ถ, ถึงใจเราด้วยใจนี่มันจะลับบุญต่ออบุญเถ้าไม่ดูแลใจมันจะต่ออบุญไม่ได้มันสำเร็จอยู่ที่ใจ เาใจไม่ลบไม่ละสิ่งที่ไม่ดีเมอนลบสิ่งที่ดีเข้าไปก็ไม่เกิดักตีเป็นที่ต่อเอาบุญลใจเนี่ยป็นที่ต่อเอาบุญนะกายเนี่ยเอามาต่ออบุญนะสักษาสามปลายหายสามโทษปลายกายปลายวายจาาใจปลายจิตใจมันมีปลายของมันเห ม, ม, ม, มือนปลายมือปลายมือไปทำบาปทำกรรม เสาะไปแล้วสาะสามปลายกายก็มีมีสามทวารกายกรรม3กายกรรมสามอสาสัตว์ลักทรัพประพฤติผิดใกรรมทั้งหลายทำห้คนถึงเดือดร้อนนี่กายกรรมยุดอย่าไปทำระวังดีๆตรงนี้กายกรรม3 วัจีคำสี่มะนูกำสามวัจีคือว่าเจามีสีทวารพูดเทศก็อย่าพูดรักษาไว้พูดคำหยาบก็อย่าพูดรักษาไว้พูดเพืเจือก็อย่าพูดรักษาไว้พูดโสเสียดถ้าคนแตกเล่าขึ้นมาอย่าพูดของไม่จริงให้พูดความจริงเสมอ เทิดพวความจอบจ่าลูกหลานอย่าพูดอย่าไปใช้หวจาหัดให้มันพูดอย่างนั้นให้มันพูดแต่สิ่งที่ดีเป็นปียวาหวจาพูดความจริงตัดสินใจออกมาพูดด้วยความจริงใจเป็นความจริงทุกอย่างที่แสดงออกมาจากคำพูดพูดเช่นใดใจเช่นนั้นพูดถึงใดให้เป็นเช่นนั้น สัจจะความจริงใจเอาพิชสิ่งใดท้งกายวาจาลงไปให้เป็นจริงนี่คือวาจามโนกรรมสามคือคิดประทุสไลยเขาอย่าไปคิดปฏิบัติปองไล่เขาก็อย่าไปคิดปฏิบัติเบียดเบียนใครอย่าไปคิดอย่างนั้นมันถบหวานใจมันจะไม่ดีใจมันจะไม่ต่อชิงไม่ดีนะก็ต้อง คิดไปบาดปองไยเขาคิดประทุไลเขาเห็นผิดจากทานองคองธรรมเห็นผิดจากคำนองคลองธรรมเนี่ยเป็นทวังของจิตอย่าไปคิดแบบนั่นจิตนะอิดจถึงคุณงามความดีแพ่เมตตาคิดอะไรก็คิดถึงแต่ความดีออกมาต่ อ, อความถูกต้องอทั้งใจเลย จึงเป็นท้าวหวานที่ไปตอเอาความดีทั้งกายวาจาใจเป็นเครื่องมือสําหรับใช้ให้เกิดความดีเราใช้ไม่เป็นก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อใช้เป็นก็เป็นประโยชน์พาถึงมากถึงผลตัวใครตัวมันกายของใครกายของมันใจวาจาของใครของมันใช้ให้เป็นวาจานี่ยพูดในเสียงเงินก็ได้พูดในติดคุกก็ได้พูดใน เขามาฆ่าก็ได้พูดของเขารักก็ได้ใจก็เหมือนกันพูดคิดให้เป็นทุกข์ก็ได้คิดแล้วเป็นทุกข์คิดไม่เป็นคิดกัดต่อตัวเองให้เป็นทุกข์มีว่าไหมใครคิดขึ้นมาน้ําตาไหลคิดขึ้นมากินข้าวไม่ลองคิดขึ้นมานอนไม่หลับยังปล่อยจงคิดอยู่ไม่หยุดความคิดไม่เป็นไอหัดตัวเองโดยเพราะการหัดความคิดเนี่ย จะกรรมฐ า, านเป็นวิชาที่ดีที่สุดนะนี่่มิมตติดตั้งไว้ฉันลมหายใจเข้าออกคมเชิดไปเวลานอนเรานอนหาเรื่องมาเชิดก็กรรมาหายใจเข้าออรู้สึกหายใจออกรู้สึกไปพลิกมือข้อ ม, มือหายมืออยู่ในท่านอนเวลานี้ไม่ใช่เวลามาเชิดเวลานอนหาตัวให้มีระเบียบ เวลานอนอยากหา เ, เรื่องหมายคิดฉนนอนไม่หลับถ้าหลับก็หลับไปกับความคิดเขาฝันฝันล่ันไ ป, ไปทั่วกับความเห็นมันยิงงอกงามในความฝันไปเลยมันเปรอเปื่อนมามากใจเนี่ยถ้าเราไม่หัดมดันแต่ยังต้องหัดใจในี่สำคัญที่จดเป็นหัวหน้าสําเร็จเป็นบุญบุญบาปอยู่ที่ใจให้เอาให้ดูแลให้ดีด มารักษาศีลกับเพื่อมาดูแลกายใจนี่ไม่ใช่มาอยู่เป็นพิธีอยู่วัดอยู่ว่าเฉยๆนั่งอยู่นี่มืนอนยิดอยูนู่นถึงคนแล้วคนชงหงวนน่นหงวนี้บางทีก็อย่างบบราณท่านว่านั่งอยู่มาจมศิลอยู่ที่วัดพระูดเท่าผัวเมียสองเท่ามาจำศีลอยู่ที่วัดอดีหนตกหนตก เอิงก็ออกล่องกบก็ล่องเขียบก็ล่องผัวเมียน่ะเคยไปจับกบกับเขียบเวลาฝนตกใหม่ได้ยินเสียงกบล่อ ง, ไ ด, องได้ยินเสียงเขียบล่องได้ยนเสียงเอิง ล, ล่องก็จับเอิงแล้วเอิงล่องมันผสมพันกันมันวางไข่เอา่าจับออกกันหาเป็นคลองมา ยินเห็นเสงืร้องเข้าไปจับกอิจับกบก็คิดถึงอยากจะไปจับกบจับเขียวช่วยนี่ทุ่งในนาโนนก็อย อ, อมเลยก็คิดว่าจะจับเอิงจับอะไรเพื่ก็ตายไปเป็นเอิงสองถงอังเนยพันยาเวลฝนตกก็ตายไปเป็นเองิงร้องอยู่นนร้องอยู่กลางต้นนาเหมือนเลี้ยงกันอยู่นน โบราณท่านว่ายอย่างนั้นจิตไปอยู่ไหนก็ไปที่นั่นนะมาไปสำบาปก็เป็นบาปติดตามตัวเราไปตกนรกมันเปรตไโลกายสติริชานเกิดจากความคิดก็เหมือย่างให้เป็นอบายภิทรอบายก็หักข้ามจิตอยาให้มาคิดแบบนั้นเป็นได้เปรตก็เกิอดอยู่ที่ใจสัตว์นรกเกิอดอยู่ที่ใจ สติระฌานเกิดอยู่ที่ใจอสุรกายเกิดอยู่ที่ใจเอาใจมันที่ขาดที่กลัวอะไรต่างๆทำดีไม่ได้อดเล่าโอ้ยอดไปได้กลัวอดหมา ก, ก, มด อ, ดกอดไม่ได้อดสุบดีก็อดไ่ได้ขี้ขาดขี้กลัวไม่กล้าทำความดีแต่ที่จะทำความชั่วพวกนี้เป็นภูมิมันต่ำ ไม่ไม่เลริญนหัดจิตของตนสอนกายสอนใจกายเป็ น, นก็มีศาสนาของกายมันมีความถูกต้องของกายศาสนาของกายศาสนาของกายเช่มันหิวก็ต้องกินข้าวแช่ได้ความหิวก็กินข้าวถ้ามันหนาวก็ห่มผ้าเปนศาสนาของกาย มีบ้านมีเรือนอยู่พเวลาฝนตกเข้าร่มเข้าเงาลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ผ้อนจุกทันยาไปพักก่อนก็หายแต่ไม่รู้จัก ร, รักษาีมาสต์ ส, สงกายใช่ผิดก็ผิดกินเล่าเกิดทุกข์เกิดโทษจินหมา ก, ก็เกิดโรคมะเล็งจุบุรีก็เป็นโรคปอด โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นการใช้ที่ผิดพลาดใช้การใช้ใจไม่เป็นแล้วก็เป็นทุกข์เป็นโทษได้เพราะนั้นพวกอามายทั้งหลายเกิดกูที่อยู่ที่ใจทาไมหัดตนสอนตนหัดคิดให้ดีๆมีกรรมฐานมีที่ตัง้งมีสติวันนี้เป็นอุโบสถจินเข้าอยู่อุโบสถปว่าเข้าอยู่ ขาอยู่ในโกรบในพิมพ์มีมกรบมีพิมม์หลอ่อพิมพ์ของกายพิมพ์ของใจพิมพ์บุญพิมพ์กุศลพิมพ์มรรคผลนิพพานหากจะอยู่ในพิมพ์ในแบบจะออกจากแบบจากพิมพ์เราสมาทานแล้วปานาติปาตาอทตินาอภมัจริยามุสาสุลลา นัจจะิดวิกาและโภนัจจะคิดวามาลาอุจาชยะแปดข้อเป็นแบบพิมพ์สําหรับกายใจวันนี้ให้อยู่ในแบบนี้พิมพ์ให้ได้หัดเข้าแบบเข้าพิมพไม่ใช่มานอนอยู่ว่าเฉยๆถ้มามนอนอยู่ว่าเฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เลยที่มาอยู่วัดมันอาศัยปริวิเวกออกจากลูกจากหลานมา เพื่อให้เป็นชีวิตส่วนตัวหรว่ ป, ปริวิเวกเมื่อมีวิเวกเกิดขึ้นกายวิเวกเกิดขึ้นก็มีจิตแต่วิเวกจิตก็อาจจะวิเวกขึ้นมาสอนจิตได้เมื่อกายวิเวกรับวิเวกจิตได้รับความวิเวกไม่มีอะไรมาแบ่งปันเมื่อก็มีอุปธิเวกอาจจะหมดฟว้งชั่วหลงปอยไม่มากก็ น, น้อยนั่นจงึงไม่ ศาสนาพุทธธรมรมไปเพลียดีวัดบาล า, ามมีศาสนาพูดแบบไทยๆวัดแบบไทยๆพระสงฆ์แบบไทยๆไยปเพลียดีของเราก็แบบไทยๆเพื่อหลอ่อหลองชีวิตของเราในเทศการขบวนษานี้เอาให้เต็มที่ให้มีสัจจิจ้อมา เข้าแบบว่าเป็นทุกข์บพรพะอย่าให้ขาดสมาทานศีลประดับตกแต่งกายใจของตนเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมใจก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมด้านก่อนเล้งเวลาท่านว่าระยำไว้แล้วต้องเจ็ต้องเจ็บทุก ต, ต, ตายเก็เป็นทุกเก็บเป็นทุกตายเป็นทุกไม่ความทุกจังกาแล้ว วิคงทุกเป็นเบื้อหน้าแล้วต้องรับผิดชอบตัวเองนี่พระพุธเจ้าได้ใช้ชนะเรืงนี้แล้วเหนือก่อนกิดใจจะตายเป็นมรรคเป็นผลเกิดขึ้นไนะชีวิตเราในเพื่อมรรคเพื่อผลมันมีรูปมีนามมีกายมีใจให้ต่อยอดเอาจากที่นี่เอาไปต่อความดีมีกันทุกคนกายก็มีทุกคน กัายยกบวยัววยทำดีมันจะทำได้ทุกคนละความชั่วก็ละได้ใจก็คิดดีดีคิดถึงพุทธคุณธรรมคุณศรค น, ค, นคิดถึงศีลของตนคิดถึงฐานของตนเคยมีศศษพอคิดถึงได้ไหมเคยละความชั่วก็ทำความดีไหมคิดถึงดานที่เราเสียชลาอะไรบ้างอารมณ์เน่าเคยเสียชลาเคยให้อภยัย ไปไม่ถือจาเรื่องมีบ้างไหมาอาภัยอะไรมาเสียสละอะไรมาอารมณ์เน่าอะไรเกิดขึ้นจะเขาออกไปสีสละหัดใจให้มันดีง่ายไปสู่ความดีเอียงไปสู่ความดีแล้วก็คิดนะถ้าไม่มีอะไรคิดถึงมันก็จนเนาะจนจนใจ เวลาเจ็บก็เจ็บเลยไม่เคยมีสติเวลาทุกข์ก็ทุกข์เลยไม่มีเคยมีสติแต่หัดเองเวลามันหลงก็รู้ที่ยียมไว้อย่างนี้เวลามันโกรธก็รู้สึกตัวเวลามันทุกข์ก็รู้สึกตัวให้หัดจากนี้เตรียมไว้มาลายเป็นดีมาผิดเป็นถูกถ้าเราหัด ในการ ใ, ใจเราเนี่เป็นเครื่องมือเวลาเมื่อโกรธไม่โกรธก็ด้นี่หันจากนี่อย่าไปทำตา ม, มนความโกรธไปทำตามความโกรธเสียผู้เสียคนเคยเดือดร้อนเคยถูกความโกรธหลอกไม่มีอะไรดีเลยเวลามนทุกข์ก็ทุกข์นั่งเศร้าน่เหงาหงา อ, อยู่ ไม่เคยถอนตัวมึงเคยช่วยตัวเองปล่อยตัวเองเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่นั่นแล้วเราจะหัดเอาไว้เตรียมกายก่อนแต่งเราจะแต่งหน้าแต่งตาต้องอาบล้างให้สาดจะค่อยทาแป้งถ้าไปทาไม่ได้อาบน้ามันก็ไม่สวยไม่งามเตรียมใจก่อนตายเราจะตายตายเป็นไหมเวลาจะเจ็บเจ็บยางไร เราถูกความทุกข์จัง ก, ก็แล้วมีความทุกข์เป็นเมื่อน้าเราจํานวนหรือโยอมหรือศาสดานี่ต้องเป็นมรรคเป็นผลถ้าไม่มีมรรคเป็นผลไม่ต้องถือศาสนานพุทธก็ได้มันอยู่ที่เราเนี่ยเวลามันโกรธไม่โกรธไปอย่างเนี้เวลามันทุกเป็นทุกข์เนี่ยเวลามันหลงไม่หลงเนี่ยมันอยู่ที่เราเนี่ยต้องเป็นปัิจจตังของเราปฏิบัติเองแต่บางเองช่วยกันมาได้ ไม่มีใครช่วยเราได้ตัวใครตัวมานจริงๆรนี่วัดป้อมเหาวันสุดยอดแล้วไม่ชีก็อยู่ที่ดีอยู่ี่แม่ชี่หนุ่มๆสาวๆพระก็ไม่พระหนุ่มๆต้องใจที่จะมาศึกษาเรื่องนี้เป็นหมู่เป็นมิตกันไม่เปียวเดียวดายไม่เข้าใจจะไหนถามท่านอาจารย์ตุมนี่ก็ มีความจัดเจนในเรื่องการปฏิบัติมาไม่พาหลงทิศหลงทางแน่นอนไอ้คิดถึงว่าเออเรามีฝันเหยียดมิดยอดโยมนอนอยู่ว่านพวกเราหนุ่ยป๋ากำลังทําความดีอยู่คิดถึงความดีไม่ใช่เราอยู่คนเดียวสิ่งที่เราทุกข์คนอื่นเขาไม่ทุกก็มีสีเราโกรธคนอื่นเขาไม่โกรธก็มี ริงที่เราหลงคนหนึ่งเขาไม่หลงก็มีอย่าไปหลงคนเดียวไปทุกคนเดียวหัดต้นสอนต้นจน้นี้อย่าไปคิดแบบลงโทษตัวเองแตยินว่าไรายุยมอะ